คุณสมบัติเด่นของบุคคลโซดาบันที่เป็นคติสำคัญแก่คนยุคปัจจุบันเท่าที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นโซดาบันเป็นขั้นตอนสำคัญของจุดหมายแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนย้าไว้เป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันก็เป็นหลักการซึ่งเหมาะสม ที่จะยกขึ้นมาตั้งเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตและชักชวนกันให้หันมาใส่ใจนอกจากความเป็นโสดาบันแล้วเรื่องสืบเนื่องที่ได้ย้ำให้หันไปสนใจกันที่มากด้วยก็คือธรรมะห้าอย่างอันได้แก่ศรัทธาศีลสุตตะจาะคะและปัญญาธรรมะทั้งห้านี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นโสดาบัน คือตามหลักการเดิมก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำมากอยู่แล้วและในแง่ของสภาพปัจจุบันก็มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ปฏิบัติด้วยเช่นกันข้อดีอย่างหนึ่งของธรรมะห้านั้นก็คือเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นไปได้ตามลำดับทั้งก่อนเป็นโซดาบัและเมื่อเป็นโซดาบันแล้ว สังคมปัจจุบันต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันต้องการศิลธรรมคือธรรมะขั้นศีลที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ทำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้สังคมปัจจุบันจเจริญด้วยสุตตะเผยแพร่และปล่อยปูดข้อมูลข่าวสารกันมากมายล้นเหลือแต่ดูเหมือนว่าสุตตะเหล่านั้นจะทําให้มนุษย์สับสนและกลายเป็นตัวก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นสังคมจึงต้องการสุดตะในอริยธรรม ที่จะมาเผยสาระและชี้จุดคลายปมให้ชัดตรงและพอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัว การช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยใจบริสุทธิ์อย่างจริงใจโลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงสุขแบบปรนเปลอบำรุงบำเรอด้วยกามอามิ t h จากการเอาอย่างไม่รู้จักหิมได้อีกต่อไปมนุษย์จะต้องรู้จักความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันและมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วย สังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหาัศัก ร, ร์ส์เอาชนะธรรมชาติแวดล้อมได้มากมายมนุษย์ได้พัฒนาโลกิยปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอำนาจเกินตัวและกาลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปในจักรวาล แต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตระเพื่อมาเป็นดังหมุดเริงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์ก็กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ การรื้อฟื้นธรรมะห้าอย่างนี้ขึ้นมาสอนเน้นกันจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งชนิดเป็นผลพลอยได้อีกด้วยคือการที่คำสอนที่เผยแพร่กันอยู่มักทำให้พระพุทธศาสนาถูกชาวตะวันตกไม่น้อยเข้าใจผิดไปโดยมองว่าเป็นศาสนาที่มีคำสอนแต่ในแง่ลบและถอนตัวไม่เอาการไม่เอื้อสังคม เมื่อมองเทียบกับสภาพของสังคมปัจจุบันและพฤติกรรมของประชาชนที่แพร่หลายอยู่ในบัดนี้จะเห็นชัดเจนว่าบุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติข้อเด่นที่ควรย้ำไว้เป็นพิเศษสำหรับเป็นคติแก่การดำเนินชีวิต2ข้อคือ 1. บุคคลโสดาบันมีความเข้าใจและมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุและผล เชื่อมั่นในวิธีการแห่งปัญญาอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสำเร็จต่างๆจากการกระทำด้วยสตยิปัญญาและความเพียรพยายามตามทางแห่งเหตุผลเท่านั้นคือเชื่อกรมไม่หวังพึ่งโชคลางหรือการอ้อนวอนขอริษานุภาพดลบันดาลจากอำนาจวิเศษ ภ, ภายนอกแต่อย่างใดเลยแต่เพราะปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคลโสดาบัน ยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลําพังตนเองยังต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ได้เข้าถึงความจริงนั้นมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างนำทางให้ดังที่เรียกว่าศรัทธาในโพธิของตถาคตหรือศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นศรัทธาขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่และเป็นศรัทธาขั้นสุดท้ายก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์และเข้ามาแทนที่ต่อไป พูดอีกในยะหนึ่งว่าพฤติกรรมยังไม่เป็นไปด้วยปัญญาล้วนๆแต่ยังอาศัยปัญญาที่หนุนด้วยแรงศรัทธา 2. บุคคลโสดาบันได้ก้าวหน้าแนวดิ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้เขาเข้าใจโลกและชีวิตมากพอที่จะไม่หลงตีราคาโลกธรรมต่างๆไปตามแรงปลุกปั่นของกิเลส เขาได้เริ่มรู้จักความสุขสงบผ่องใสความเป็นอิสระเบิกบานเป็นต้นที่เป็นด้านโลกุตระซึ่งทำให้เข้ามองเห็นคุณค่าของธรรมะจนเกิดฉันทะคือความรักความพอใจในธรรมะต้องการธรรมะอย่างจริงจังจนไม่มีทางที่จะกลับมามัวเมาในการเสพแสวงสิ่งพลนเรอทางวัตถุอีกต่อไป บุคคลโสดาบันนั้นเมื่อเขาประพฤติดีประกอบการสุจริตคือมีศีลก็ตามเมื่อทำการเสียสละบริจาคให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นคือจาคะก็ตามเขาจึงไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังได้ลาบเกียรติยศสรรเสริญสุขสวรรค์อย่างโลกิยาปุทุชนทั้งหลายและเขาจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างเป็นธรรมดา เพราะการไม่ได้ผลตอบแทนเหล่านี้ย่อมไม่อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความย่นระยอท้อถอยในการทำความดีชีวิตของบุคคลโซดาบันได้พัฒนามาถึงขั้นที่สรุปได้ด้วยคถาพุทธพจน์ในพระธรรมบทว่ามนุษย์มากมายนักหนาถูกความกลัวคุกคามเข้าพากันยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันกเกษมได้เลยนั่นไม่ใช่สารณะอันอุดมคนยึดเอาสารณะอย่างนั้นจะพ้นไปจากสพรพทุกหาได้ไหมส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมองเห็นด้วยปัญญาโดยท่องแท้ซึ่งทุกขเหตุให้ทุกเกิดขึ้นความก้าวล่วงทุกขและอริยามรรคมีองค์แด อันให้ถึงความสงบระ ง, งับทุกข์นี่แหละคือสารณะอันกเกษมนี้คือสารณะอันบุดมคนถึงสารณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกทั้งปวงขอยกพุทธพจน์ข้างต้นมาเตือนความจำให้แน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่งเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วม ง, งานเป็นญาติหรือสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองคุณของโซดาบันสีประการหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าวงตระกูลหัวหน้าสถาบันและกิจการต่างๆผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้บริบูรณ์ มีคุณค่าสมแก่ฐานะก็คือท่านที่สามารถทำให้คนในครอบครัวในวงตระกูลในสถาบันและกิจการเหล่านั้นเช่นบุตรภรรยาคนอาศัยคนในงานจเจริญงอกงามขึ้นด้วยคุณธรรมหประการเหล่านี้ดังบาลีว่าคนภายในอาศัยหัวหน้าตระกูลผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความจเจริญทั้งห้าคือจเจริญงอกงามด้วยศรัทธา ศีล ส, สุตตะจาระปัญญาเหมือนด่งพฤกษาใหญ่อาศัยคุณเขาหิมะวันจเจริญด้วยส่วนที่งอกงามทั้งห้าคือจเจริญงอกงามด้วยกิ่งใบเหลือกกระทะกระพีและแก่นพุทธพจน์จากอังคุตรานิกายปัญจการนิบาตคำว่าหูหน้าตระกูลมาจากกุลปติ คือกุลบดีคำว่ากุละในภาษาบาลีตามปกติแปล ว, ว่าครอบครัวหรือวงตระกูลแต่ศัพท์เดิมหมายถึงหมู่พวกกลุ่มขยายความออกไปในยาหนึ่งว่าหมู่ชนมีชาติเสมอกันและอาจขยายความหมายกว้างออกไปถึงหมู่ชนที่มีกิจการร่วมกัน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเข้ากันกับคำปัจจุบันว่าองค์กรสถาบันบริษัทเป็นต้นตัวอย่างเช่นหัวหน้าสถาบันของนาลันธามหาวิหารสมัยโบราณที่รู้จักกันในชื่อว่ามหาวิทยายลัยนาลันทาก็เรียกว่ากุละบดี ไม่เพียงแต่การทำหน้าที่ต่อครอบครัวและการอนุเคราะห์ญาติมิตรเป็นต้นเท่านั้นแม้การตอบแทนคุณของบิดามารดาก็จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปลูกฝังท่านไว้ในคุณธรรมเหล่านี้ดังพุทธพจน์จากอังคุจรณนิกายทุกการนิบาทดังนี้ภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทาการตอบแทนคุณได้ง่ายเลย สองท่านคือใครคือมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาไว้บนบาข้างหนึ่งเอาบิดาไว้บนบาข้างหนึ่งปรนิบัติถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดสัตวัดและเขาเพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขาัดสีนวดฟันอาบน้ำให้และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองของเขา นั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทําคุณหรือตอบแทนแกมารดาบิดาถ้าบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติทรงอินสราธิปัตดบนมหาปัจจพีอันมีสัต ร, รัตนามากหลายนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทําคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดจักจูงปลูกฝังประดิษฐานซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทาซึ่งมารดาบิดาผู้ทูตศีลไว้ในศีลสัมปทาผู้มีมัชริยะไว้ในจาค้าสัมปทา ผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาสัมปทาด้วยการกระทาเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทมคุณได้ตอบแทนแกมารดาบิดา